ผมก็คิดในข้อนี้ถึงได้รีบกลับมาทั้งๆ ท, ที่บุญคำชวนให้ตามต่อแล้วก็หันไปจับเบาๆที่ปลายเท้าของเชี่าถามด้วยน้ำเสียงนุ่มว่าคุณชายรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับล่าชะสะกุลหนุ่มหัวเราะขณะฝืนยิ้มตอบ พ, พึมพำขอน้ำจักชายยันรับไปดื่มแล้วผ่อนลมหายใจยาวน้องสาวประคองหลังขึ้นเอาหมอนรองเพื่อให้ทรงตัวนั่งถนัดอย่ากังวลไปเลยละพินผมคงไม่เป็นอะไรมากหรอก วันนี้แผลมันได้ระยะอักเสบ ร, ระบบ ม, มากหน่อยแต่น้อยก็ฉีดมอฟีนให้ผมพอซึมซึมไปได้เชื่อว่าพรุ่งนี้คงจะดีขึ้นนั่นคือ่าแท้ของเชืฐท้าผู้แกล่งและทรหดบึกบืนเกินกว่าผิวพันชาติสกุลซึ่งไม่สามารถจะมองเห็นได้ในสายตาผาดผ่าดเบื้องนอกสมแล้วที่เขาอาฐานที่จะบุกป่าฝ่าดงไปยังขนทางมหาวิบากธุรกันดารเบื้องหน้าเพื่อติดตามค้นหาน้องชายผู้สาบสูน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 ยิ่งในขโขงมีช้างเจ็บพิการอยู่ด้วยก็ยิ่งทำให้ทิ้งร่องรอยมากขึ้นสำคัญใ้ค้นพบรอยเริ่มต้นครั้งแรกก่อนเท่านั้นรอยของมันอาจหายไปในระยะกิโล2กิโลแต่สักประเดี๋ยก็ต้องปรากฏให้พอสังเกตได้อีกโดยสายตาของผู้ชำนาญสำหรับละพินน่าไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องนี้การหลงรอยคงไม่เกิดขึ้นแน่สาคัญรอยของมันจะไปหายเอาตอนบริเวณใกล้ทางลับที่จะนาเข้าสู่หุบหมาหอน่ะสิ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 ถ้าเป็นกรณีอย่างที่กุณชัยยันว่าเจถึงอย่างไรเราก็ต้องพยายามกันดูผมเองก็ร้อนใจเหลือเกินอยากจะตามมันไปให้รู้ชัดเสียเลยว่ามันเข้าหุบหมาหอนแน่หรือแยกไปทางไหนถ้ามันเข้าหุบหมาหอนก็แปลว่ามันก็มีวาละสุดท้ายรอคอยอยู่ในระยะใกล้ๆนี่นแหละแต่ถ้ามันไม่เข้าหุบเปิดเปิงไปทางอื่นเสียก็ทายนี่ถูกว่าอีกกี่อาทิตย์หรืออีกกี่เดือนเราจะตามมันพบ ท่นใดเสียงห้าห้าของใครคนหนึ่งก็ดังแท้มาจากเบื้องหลังของทุกคนว่าไอ้แหวงจะต้องหลบเข้าไปในหุบหมาหอแน่นอนครับผู้ ก, กองทุกคนหันไปมองไปตาเดียวที่มาของเสียงคือแง่ า, ายผู้ยืนอยู่ริมประตูกระจกขณะนี้มองประสานตาคลมกลิบของนพินมาอย่างยากที่จะอ่านความรู้สึกเชี่ยถาพยักหน้าเรียกให้แง่ท า, ายเข้าไปใกล้ขอบใจมากแง่ท า, ายที่นายเริ่มแสดงความเห็นช่วยเหลือพวกเราบ้าง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 ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับด่านลับเชื่อมระหว่างหุบกับป่านอกเท่านั้นถ้าค้นไม่พบด่านลับนั้นเราก็ไม่มีวันตามมันทันแม้ว่าจะรู้ว่ามันเข้าไปหลบอยู่ในหุบเพราะจะต้องตายนณผาลงหุบกว่าจะไปถึงมันก็ย้อนกลับออกมาจากป่านอกคอยหลบล่อให้เราไล่อยู่อย่างนี้เราจะหมดแรงไปเองพรานใหญ่เม้นลุมฝีปากเหลือบมองหน้าคณะนายจ้างบอกตำๆว่าน่าจะเป็นอย่างแงาทายผู้เสร็จแล้วหรอครับ ถ้างั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วพรก่งนี้คุณจัดทีมตามมันได้เลยเชื่อว่าคงจะหาทางด่านที่ว่านี้ได้เองอย่างน้อยรอยตีนของมันจะต้องช่วยให้เราคำได้บ้างมือดีๆเอาไปให้หมดทางนี้ไม่ต้องเป็นห่วงทิ้งบุญคำไว้กับผมสักคนพร้อมกับลูกหาบก็พอแล้วพรางของคุณสามคนแงซายชายัยานและน้อยไปกันให้หมดคนเจ็บอันเป็นหัวหน้าคณะวางแผนให้ในทันทีทุกคนอึ้งมองหน้ากันเองโดยคาสั่งจากเขา ใครจะไปก็ไปเถอคะค่ะแต่สําหรับน้อยในระยะวันสงวันนี้ยังทิกงพี่ใหญ่ไปไม่ได้เด็ดขาดอาการของพี่ใหญ่ยังห่างหมอไม่ได้พี่ชายเอื้อมมือมารูปศรีรษะน้องสาวอย่างรักไข่พยักหน้าพี่บอกแล้วว่าพี่น่าไม่เป็นอะไรหรอกแต่เอาเถอะเมื่อน้อยจะอยู่ดูแลพี่ก็เอาให้ใชยันไปกับพวกของระพินเราต้องจัดการกับมันโดยเร็วที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้รายการนี้ไม่ใช่การล่าสัตว์เพื่อการกีฬาแล้ว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 จะเป็นคุณแง่ายชัยยานหรือพรานคนใดคนหนึ่งของคุณผมก็ยินดีทั้งสิ้นถ้าเอามันอยู่มือได้ผมจะนอนรอฟังข่าวอยู่และภาวนาเอาใจช่วยทุกคนไอ้แหวงเป็นหนี้ชีวิตมนุษย์อยู่มากหรือเกินถึงคราวแล้วที่มันจะต้องชดใช้กรรมบ้างครับผมจะพยายามจนสุดความสามารถถ้าไอ้แหวงยังอยู่ก็ไม่ควรมีพรานที่ชื่อระพินภัยวันอีกต่อไปจอมพรานรับคาหนักแน่น เอื้อมมือไปบีบมือนายจ้างผู้สูงศักดิ์เบาๆคุณชายโปรดทำใจให้สบายและพักผ่อนรักษาตัวให้ดีเถิดครับอย่าเป็นกังวลไปเลยเรื่องไอแหว่งเป็นภาระของผมเองพรุ่งนี้ผมจะเริ่มออกตามมันอีกครั้งดีแล้วน้อยอยู่ดูแลเช็ดถาเถอะเขาไม่ควรจะห่างหมอในระยะนี้ชา ย, ยันว่ายิงสาวพปยักหน้าแล้วหันไปดูตาละินนิ่งตึกตองอยู่อึดใจก็าถามว่าจะรอดูอาการของพี่ใหญ่อีกสักสองวันไม่ได้หรือ ถ้าค่อยยิงชั่วพอจะปล่อยให้อยู่กับบุญคําได้ช่างจะได้ไปด้วยพระผินก้มศรีรษะให้นิดหนึ่งอย่างสุภาพตอบเป็นงานเป็นการว่าพวกเราตระหนักดีครับว่าการที่ขาดคุณหญิงไปสิคนหนึ่งก็เท่ากับเราขาดปืนที่ยังไปกระบอกหนึ่งแต่หน้าที่สําคัญที่สุดของคุณหญิงในขณะนี้คือการเป็นแพทย์รักษาพิบาลคุณชายซึ่งไม่มีใครสามารถรับหน้าที่นี้แทนได้ส่วนการพิฆาตไอแหวงพวกเราหลายคนทํากันได้อยู่แล้ว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 ผมแงซ า, ายคุณชายยานและพรานของผมอีกสามคนบุญคํากับลูกหาทั้งหมดจะทิ้งไว้ให้คอยรับใช้คุณหญิงที่แคมป์นี่บุญคําจะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนเหมือนกับที่ผมอยู่เหมือนกันถ้าคุณต้องการกําลังคนเพิ่มจะแบ่งพวกลูกหาไปบ้างก็ได้พรานใหญ่สั่นศีษะผมต้องการมือยิงช้างครับไม่ต้องการเอาคนไปให้ช้างเหยียบลูกหาเหล่านี้มือยังไม่ถึงขัานที่จะเอาไปเสี่ยงแม้แต่คนเดียว แทนที่จะช่วยอะไรได้กับจะยิ่งเพิ่มภาระกังวลเสียเปล่าๆแล้วเขาก็ร่วมรับประทานอาหารข้ามกับนายจ้างทั้งสองหลังเวลาอาหารปรึกษาสนทนาอยู่กับชายยานอีกครู่อันเป็นเวลาเดียวกับที่เช็ดถาหลับและพินก็ออกไปจัดการสั่งพรานพื้นเมืองของเขาให้เตรียมตัวออกเดินทางพรุ่งนี้นอกจากบุญคำซึ่งกาหนดหน้าที่ให้เป็นผู้ควบคุมดูแลแคมป์ตามเคยดาลินอาบน้าเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเสร็จ เห็นชายยันเตรียมสัมภระส่วนตัวพลางหาวอดกก็บอกว่านอนสิเถอะชายยันเมื่อคืนนี้ก็เฝ้าเวรพี่ใหญ่แทนฉันแล้วพรุ่งนี้ก็จะบุกอีกคืนนี้ฉันจะดูพี่ใหญ่เองเธอนอนให้สบายดีเหมือนกันอดีตนายทหารเปืนใหญ่อาป่าหาวอีกครั้งแล้วหายตัวลงนอนบนตียงสนามของเขาโดยแรงป้ายหัวแม่มือไปทางเชื่าผู้นอนหายใจแผ่วอยู่พูดอุยต่อมาว่ายอดชายของเราเป็นยังไงบ้าง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 หล่อนเดินไปคลี่ผ้าแบรงเกตคุมตัวให้พี่ชายก่อนแล้วจึงเดินไปห่มผ้าให้ชัยยันพิษ ด, ดูดวงหน้าอันหลับเหมือนทารกของเพื่อนหนุ่มอยู่อึดใจจับคางสั่นเบาๆอย่างรักสนิทหล่อนอดประหลาดใจตนเองไม่ได้ว่าเหตุใดหล่อนจึงไม่รักเขาอย่างคู่เสนิหาเท่าๆกับที่เขาก็ไม่เห็นหล่อนเป็นอะไรเกินเลยไปกว่าน้องสาวคนหนึ่งหาไม่เช่นนั้นก็ควรจะได้แต่งงานกันแล้ว ชาติก่อนนี้เราคงเป็นพี่น้องกันณชัยยานและชาตินี้ก็เพียงแต่เกิดผิดพ่อแม่กันเท่านั้นฉันอยากจะรักเธอเสียจริงจะได้ไม่เหงาใจมาจนกระทั่งทุกวันนี้ดาดินกระซิบอยู่ในใจถอยห่างออกมาหลีตะเกียงที่เสากลางเดินมาหลินบรั่นดีที่โต๊ะสนามดื่มแล้วคว้าบุหรี่กับไรเตอร์ใส่กระเป๋าเสือ้อเดินแแบบประตูกระจมออกมาสูดอากาศอันเย็นช่าเบื้องนอก แง่าสายนั่งนู่ายต้มน้ำหม้อใหญ่ซึ่งวางอยู่บนหินสามเศร้าอันเป็นคำสั่งของรอนซึ่งให้คอยปฏิบัติเป็นประจำนับตั้งแต่เชษฐาได้รับปาดเจ็บเพื่อว่าอย่างน้อยที่สุดจะได้มีน้ำร้อนใช้ทุกขณะเมื่อเกิดความจำเป็นหญิงสาวเดินทอดน่องตรงเข้าไปหาทางเบื้องหลังพอถึงก็วางมือบนรอันกว้างใหญ่แข็งแรงนั้นหนุ่มชาวดงพนเจนจรสะดุ้งเพราะไม่ทันรู้ตัวหันขับมาเห็นก็รีบขยับตัวจะลุกขึ้น แต่หล่อนกดไหลไว้ยิ้มระไมได้รับคําสั่งจากพรานใหญ่แล้วหรือยังพรุ่งนี้เธอจะต้องไปกับเขาด้วยผู้กองบอกผมแล้วครับนอนพักเสียไม่ต้องเฝ้ายามหรือทําอะไรอีกทั้งสิ้นไม่ต้องตื่นขึ้นมายกเว้นกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหมดหล่อนสั่งเสียงนุ่มนวลอ่อนโยนแล้วกวักมือเรียกบุญขามผู้นั่งมวลบุดีไปตองแห้งคุยอยู่กับพรรคพวกห่างออกไปทางหนึ่ง บุญคมรุกขึ้นเดินตรงเข้ามาหาโดยเร็วนายหญิงมีอะไรจะใช้บุญคำหรือครับบุญคามรู้แล้วใช่ไหมว่าพรนี้พรานใหญ่กับพวกเราส่วนหนึ่งจะออกตามไอ้แหวง่งและมอบให้บุญคามเฝ้าแคมป์กับฉันพรานพืชเมืองอาวุโสยิ้มเห็นเหงือกสีครามตอบน่ำน้อคว่าครับนายหญิงพรานใหญ่บอกผมแล้วคืนนี้ช่วยทําหน้าที่แทนแงซ า, ายทีนะนอนเฝ้าหน้ากระโจมและคอยใส่ไฟให้น้ําในหม้อ น, นี่ร้อนไว้เสมอ ดึกๆมีอะไรที่จะให้ช่วยฉันจะปลุกเองได้ครับหล่อนยิ้มอย่างพอใจเดินเข้ามาตบแขนพรานเท้าและหันไปพยักหน้ากับอดีตนายทหารกองเจรกระเรียงเอาแล้วแง่ท า, ายไปนอนได้แง่ท า, ายปฏิบัติตามคําสั่งของรอนอย่างว่าง่ายลุกขึ้นเดินไปร้มตัวโรงนอนอย่างที่ของตนบุญคำก็ซุดตัวลงนั่งขัดสมาธิตรงที่ของแง่ท า, ายเงยขึ้นมองดูหญิงสาวด้วยสายตาเคารพยำเก่งและเลื่อมใสาถามเบาๆว่า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 เขาเวี่ยงเป้ที่บรรจุของเรียบร้อยโยนโครงไปแทนหมอนหนุนศีรษะทางด้านหัวนอนแล้วหันคว้าปนืนขึ้นมาถอดลูกเลื่อนดึงออกมาเช็ดทำความสะอาดคุณหญิงก็ทราบดีอยู่แล้วว่าการตามรอยมันไม่มีกำหนดเวลาที่ตายตัวแน่นอนอาจเพียงชั่วโมงเดียวอาจเป็นอาทิตย์เป็นเดือนหรือบางทีกแ็แรมปีทีเดียวเราต้องพร้อมอยู่ทุกขณะประมาทไม่ได้ดารินทุดตัวลงนั่งบนกระสอบข้อสารตรงหน้ามองดูเขาอย่างกังวล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 คุณไม่ควรจะยึดเอาคำสั่งของเขาเป็นหลักปฏิบัติแบบเถ็นตรงเกินไปหล่อนเอ่ยแถวเบามองดูเขาอย่างขอร้องอยู่ในทีฉันคิดว่าถ้าภายในสามวันเป็นอย่างช้ายังไม่ได้เรื่องอะไรคุณควรจะกลับมาแคมป์ก่อนถึงแม้ที่นี่จะเป็นชายภูมิที่ปลอดภัยเพียงพอแต่เมื่อไม่มีคุณไม่มีแง่ทรา ย, ายไม่มีชา ย, ยันเหลือแต่ฉันกับพี่ใหญ่ผู้นอนแช่อยู่บนเตียง ให้บุญคำกับพวกคูกหาดอยู่ด้วยมันก็เหมือนกับว่าฉันถูกทิ้งอยู่คนเดียวเพลีนเหลือกมองดูรอนยังเห็นใจยิ้มนิดหนึ่งเอาละครับผมจะพยายามกลับมาให้เร็วที่สุดภายในไม่เกินสามวันที่คุณหญิงกำหนดไว้ให้ยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากงามคู่นั้นขอบใจมากแล้วก็ขอฝากนายายด้วยนะกาลังเอาแท่กทุงเข้าไปในลากล้องไรเฟิพลพรานใหญ่เงยหน้าขึ้นอีกครั้งในทันทีนั้น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 แต่สำหรับแงสายมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณคุณอาจปล่อยเขาตามบุญตามกรรมก็ได้ในนาทีวิกฤตที่สุดเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทราบไวไ้ด้วยว่านี่เป็นคำขอร้องจากฉันดูแลคุ้มครองเขาไว้ด้วยถ้าจำเป็นคุณหญิงเคยบอกแง่ายหรือเปล่าว่าฝากรับผินด้วยไม่จาเป็นเลยที่ฉันจะต้องพูดกับเขาชินนั้นมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยระหว่างคุณกับแง่าย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 และเพื่ออะไรถึงได้มาร่วมกับเราคุณหญิงจะถือว่าความแครงใจของผมข้อนี้เป็นการกินเรียมระวังเชิงผมก็ยอมรับแง่ท า, ายชนะใจฝ่ายของคุณหญิงโดยราบคาบแล้วจากวีรกรรมและการเสียสละอันเนื่องมาจากศพโอกาสได้ช่องเหมาะของหมอเข้าอดีแต่แง่ท า, ายยังไม่อาจชนะใจคนขี้ระแวงอย่างผมไปได้ตราบเท่าที่หมอยังไม่ยอมพูดความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่อย่าพูดถึงเรื่องอื่นเลยว่ากันถึงเรื่องนี้เถอะ อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการขอร้องจากฉันคุณจะไม่ให้สัญญารับปากพอให้ฉันสบายใจหน่อยเชียวหรือหล่อนกล่าวเสียงอ่อนมีกระแสะวิงวอนอยู่ในทีรพินยักไหลตามปกติแล้วกรมลสันดานของผมทนมองเห็นใครได้รับอันตรายตามตาอยู่เบื้องหน้าไม่ได้หรอกครับเขาหากว่าผมมีโอกาสจะช่วยเหลือได้อดีตที่แล้วมาในสมัยหนึ่งทั้งๆ ท, ที่ก็รู้ชัดอยู่ว่าเจ้าหมอนี่เป็นสายของโจรกระเรียง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 ดูคุณหญิงเป็นห่วงกังวลอยู่กับหมอนี่เหลือเกินฉันยอมรับแง่ทายเป็นเด็กดีในสายตาของฉันฉันเป็นห่วงเขารองลงมาจากชัยยันในการจะติดตามไปกับคุณพรุ่งนี้จําไว้ด้วยว่าแง่ทายคือน้องชายของฉันขอรับครับกระผมผมจะจําคําสั่งนี้ใส่ใจไว้เสมออย่าประชดประชานแดกดันอย่างนั้นสิคะกระพินน้ําเสียงของรอนอ่อนโยนเอาใจ ที่ฉันพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเอาแง่ทายขึ้นมาให้ท้ายเพื่อให้กระด้างกระเดื่องกําแหงอะไรกับคุณเลยแต่ต้องการให้คุณระลึกไว้เพียงแต่ว่ายามใดก็ตามที่คุณนึกหมันทร้ไม่ชอบหน้าเขาขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลอันควรคุณก็อาจจะเว้นไว้เสียโดยเห็นแก่ฉันบ้างเท่านั้นเองพรานใหญ่หัเราะหึห่ยหยิบปุรี่ขึ้นมาคาบเอื้อมือไปคว้าดุ้นฝืนในกองไฟขึ้นมาต่อแล้วลราพินล่ะ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 เพราะฉะนั้นอย่าหนีตายไปเสียก่อนชื่นใจเดือเกินหัวใจพองโตคับอกทีเดียวที่ได้สะดับมัธุรสวาจาอันเป็นกำลังใจให้อยากจะชักตายไปเสียเดี๋ยวนี้เรียวรถเจ้าเล่อย่างนี้เองผู้หญิงเขาถึงได้หักอกให้มาพูดให้ช้ำใจทำไมสมน้ำหน้าดีใจให้แก่เธอผู้นั้นด้วยที่ไม่เลือกแต่งงานกับคนขี้กวนทโดดโสเขาตัดสินใจได้ถูกต้องแล้ว ไม่นึกว่าเป็นน้องสาวของคุณชายเชี่าที่ผมนับถือแล้ว ก, ก็จะทำไมจูบสั่งสอนเสเดีวนี้แหละในพานคุณเก่งแต่เฉพาะในเรื่องสัตว์เท่านั้นไม่เก่งในเรื่องมนุษย์หรอกโดยเฉพาะมนุษย์ผู้หญิงท้าหรือระพินขยับตัวดาดินลุกขึ้นยืนเต็มส่วนสัตว์สระผมที่ก้าวไว้รูดรูหลุดกระจายสยายเกลี่ไรตาเป็นประกายมันระเรื่มริมฝีปากปรากฏรอยยิ้มเพอ้อพัก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 ราตีสวัสด์ครับคุณหญิงกลับไปนอนเิเถอะผมจะหลับละพรุ่งนี้ต้องออกเดินทางแต่เช้าขออภัยด้วยที่ผมพูดอะไรสามหาวไปเมื่อครู่นี้ปวดรืมเสเถิดรู้ตัวเหมือนกันหรือว่าสามหาวเสียงเย็นนุ่มดังถามมาคนเราเวลาลืมตัวมันอาจทำอะไรออกไปได้ทั้งนั้นแม้แต่ในสิ่งไม่สมควรสะเทือนใจมากนะดิที่ฉันพูดถึงผู้หญิงคนนั้นระผิดไม่ตอบ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 แต่เหมือนมีอำนาจชนิดหนึ่งมายึดไว้ชั่วขณะงานไปดาดินแกะแถบบาเซียที่พันไว้ออกและจับข้อมือข้างนั้นตรวจ ด, ดูแผลปากแผลอันเกิดจากเขี้ยวของงูเหลือมบตดนี้ชิดกันและแห้งสนิท ด, ดีแล้วกำลังจะตกสะเก็ดหล่อนถอนใจออกมาเบาๆอย่างโร่งอกขอบคุณสวรรค์มันจวนจะหายสนิทแล้วเจ็บใจสวรรค์ที่มันหายเร็วเกินไปแปลกนี่ทาไมอยากจะให้เก็บตัวไปนานๆงั้นเลย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 ขอให้โชคดีสำหรับการเดินทางพรุ่งนี้ราตีสวสร์จบคำพูดหม่อมละชวงหญิงดารินว ร, ราลิศก็ถัะออกเดินช้าๆบ่ายหน้ากลับไปยังกระโจมระพินมองตามร่างของหลอนไปจนรับตาแล้วทิ้งกายลงนอนหลับตาประสานมือทั้งสองวางไว้บนอกกลิ่นหอมจางๆจากผ้าที่พันข้อมือรอยกลุ่นมากำซาาไปตลอดทั้งคานประสาทจะรุงลึกเข้าไปอบอวนอยู่ในหัวใจ มีกลิ่นไอตัวของเจ้าของปนอยู่ด้วยประหนึ่งน้ำค้างที่เกาะอยู่บนกิ่งใบพฤกษาครั้นยามดึกก็เนืองนองมากมายปานจะรองดื่มให้ฉ่ำซวงได้แต่พอรุ่งแจ้งแสงปัจจุบันสมัยส่องน้ำค้างก็ย่อมจระละลายเหือดหายไปน้ำใจนางก็เปรียบได้ฉะนั้นกระแสเสียงแห่งลำนำเพลงที่แง่สายเคยขับ ดูเหมือนจะแวววิเว่อยู่ในโศดประสาทของรพินสะท้อนสถานไปตลอดทั้งหัวใจเช้าตรูรุ่งขึ้นอาการของเชษฐาดีขึ้นกว่าเมื่อวานเล็กน้อยหลังอาหารคณะติดตามไมแว่งทั้งหมดก็พร้อมที่จะออกเดินทางได้ทุกคนได้รับคำสั่งจากหัวหน้าคณะให้เข้าไปพบในกระโจมผมกับน้อยและทุกคนที่นี่จะรอฟังข่าวดีจากพวกคุณเชษฐาเอ่ยขึ้นด้วยเสียงกังวลแจ่มใสใบหน้ายิ้มระมัย เสียดายอย่างสุดซึ้งที่ไม่อาจไปร่วมศึกในคราวนี้ได้แต่ก็ขอฝากวิญญาณของนักล่าไปพร้อมด้วยไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้ผมรู้สึกตัวเองว่าจะหายเป็นปกติโดยเร็วที่สุดสเบียงหมดเมื่อไรกลับมาเอาดาดินยืนอยู่เบื้องหลังของพี่ชายมองข้ามศีษัเชษาไปศบตารพินพรางสั่นหน้าแล้วรอบยกนิ้วขึ้นสามนิ้วเป็นความในย้ำสั่งให้เขาทราบว่าอนุญาตให้ไปได้เพียงแค่สามวันเท่านั้น ไม่มีใครเห็นอาการบุ้ยไบ้ของรอนนอกจากคนที่รอนเจตนาจะให้เห็นคนเจ็บมองกลา่าดไปยังทุกคนในคณะที่จะออกเดินทางด้วยอาการยิ้มแช่มชื่นเช่นนั้นชายานแกไปแทนตัวฉันและเป็นหัวหน้าแต่จงเชื่อฟังคำแนะนำของระพินส่วนแง่ทรายเขาหันไปทางคนใช้ชาวโดงที่ยืนสะพายปืนตงงานอยู่ราวกับนักรบโบราณฉันรู้ดีว่าแกจะเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือระพินได้ดีที่สุด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 ดารินกับบุญคำเดินตามออกมาส่งจนถึงปากด่านแล้วชวนกันกลับปางพักเมื่อคนทั้งหกตัดลงเดินหายรับไปในหมู่โขดหินและแมกไม้ที่นี่เห็นจะต้องกลายเป็นบ้านของเราในระยะเวลายาวนานเสียแล้วละ่ะนายจ้างสาวเอ่ยขึ้นขณะที่กวาดสายตาไปรอบๆบริเวณค่ายพักเมื่อเดินกลับมาถึงเพราะฉะนั้นเราควรจะอยู่กันให้สบายกว่านี้หรือบุญคำว่ายัางไงบุญคามหัวเราะแหะ่แห่ไม่เข้าใจความหมายในคำพูดของร่อน ได้จะทำหน้าตื่นและเดินตามหญิงสาวไปทุกระยะขณะที่รล่อนออกสำรวจดูภูมิประเทศโดยรอบอย่างถี่ถ้วนพวกเราทุกคนว่างกันไม่ใช่หรือตอนนี้หล่อนหันมาถามอีกยิ้มยิ้มว่างครับดีแล้วบุญคำกับนายเมยสองคนเกณฑ์พวกลูกหาไปตัดไม้มาปลูกร้านยกพื้นขึ้นเอาไว้เป็นที่พักอย่านอนกับพื้นเหมือนเช่นที่แล้วมาเลยเราต้องอยู่ที่นี่กันอีกหลายวันไม่งั้นฝนตกจะลาบาก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 จนกว่าเราจะล้มไอแหว่งได้สําเร็จหรือจนกว่านายใหญ่จะหายยังใดอย่างหนึ่งสุดแล้วแต่อย่างไหนมาถึงก่อนสักกี่วันครับนายใหญ่ถึงจะหายเป็นปกติอาจจะในราวเดือนหนึ่งพรานอุวุโสนิ่งคิดอะไรอยู่ครู่ก็ถอนใจเบาๆเหลือบตามองดูรอนอาการมีกังวลแฝงอยู่ผมทายไม่ถูกว่าระหว่างเวลาที่นายใหญ่รักษาตัวอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนี้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 แต่ฉันมีความเชื่อมั่นอะไรอยู่อย่างหนึ่งนายหญิงเชื่ออะไรหรือครับไอ้แหว่งประกอบกรรมทําเข็นมามากเต็มทีแล้วควรจะถึงวาระสุดท้ายของมันเสียทีไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ลงได้ประกอบกรรมชั่วมากๆฟ้าดินก็ควรจะลงโทษบุญคําพยักหน้าเห็นด้วยกับคําพูดของรอนนายหญิงพูดถูกครับไอ้แหว่งเป็นช้างก็จริงแต่จิตใจของมันเป็นผู้ร้ายสําคัญเป็นผีนรกมาเกิดในร่างของช้าง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 ซึ่งจะต้องรายงานให้ร่อนทราบและได้รับอนุญาตเสียก่อนทุกครั้งกำหนดหน้าที่บุญคำให้คอยดูแลและรับใช้อยู่ใกล้เต็นโดยทำหน้าที่แทนแง่ทา ย, ส, ายส่วนบริเวณรอบนอกให้เป็นหน้าที่ของนายเมยหัวหน้าลูกหามประมาณบ่ายสามโมงพยาบฝนมืดมิดมาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ฟ้าแลบอยู่แ ป, ปรปล่กพร้อมกับคารนใกล้เข้ามาทุกขณะพายุกันโชกเย็นเฉียบมาเป็นระยะ ต่อจากนั้นอีกเพียงครึ่งชั่วโมงฝนก็กระห น, น่ำลงมาอย่างหนักดาลินสวมเสื้อกันฝนออกจากกระโจมมาบงการให้พวกลูกหาบขนสัำราญข้าว ข, ของหลบฝนขึ้นไปไว้บนร้านมุงหลังคาที่ปลูกสร้างไว้บางส่วนก็ให้ดําเบียงเข้ามาไว้ในกระโจมพักโชคดีเหลือเกินที่หล่อนให้พวกนั้นปลูกร้านขึ้นพอให้ทุกคนได้อาศัยเป็นที่พักหลบฝนหาไม่เช่นนั้นคงเปียกปอนกันหมดบุญคําตามหล่อนเข้ามาในกระโจมภายหลังจากหญิงสาวสั่งการเรียบร้อย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 พอมีครับนายหญิงก่อนมันจะเทลงมาผมให้พวกนั้นขนเข้ามาไว้ใต้ร้านเอาผ้าพลาสติกคุมไว้ไม่เปียกฝนพอจะใช้ได้ตลอดคืนนี้เป็นฟืนไม้หนักทั้งนั้นบนนี้เป็นพื้นหินแข็งแล้วก็เป็นยอดเนินน้ำไม่ขังก่อไฟได้ง่ายสำคัญอย่าให้มันตกตลอดคืนก็แล้วกันดาดินสั่งให้บุญคำรื้อรังใบหนึ่งนาเอาเตาน้ามันกา๊าซและเตาฟูออกมาสาหรับเตรียมหุงหาในเวลาเย็น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 น้อยถือหลักปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าจะเสียใจภายหลังค่ะน้องสาบอกยิ้มยิ้มมันไม่หนักหนาอะไรนะักลูกหาพานะของเราก็มีพร้อมของเหลือดีกว่าขาดทําอะไรไม่ประมาทไว้ได้เป็นดีคราวนี้พี่ใหญ่เห็นหรือยังคะว่าไม่ว่าคณะไหนหรือกิจการอันใดถ้ามีผู้หญิงเข้าร่วมอยู่ด้วยมันจะดีกว่าจะมีผู้ชายรนล้วนเพราะผู้หญิงรอบครอเห็นการไกลกว่าผู้ผู้ชายจริงของน้อยพี่ขอยอมแพ้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 ถ้าไม่จำเป็นเกี่ยวกับเรื่องนำทางข้างหน้าละก็น้อยบอกให้พี่ใหญ่ไล่ออกไปนานแล้วทำไมเขาแสดงอะไรไม่สุภาพต่น้อยงั้นหรือดาลินเดินออกไปแแบบม่านประตูของกระโจมมองดูสายฝนเบื้องนอกก็ไม่เชิงค่ะถ้าจะพิจารณาการในด้านความเป็นสุภาพบุรุษหรือการปฏิบัติตนรับใช้ตามพัธสัญญาจ้างก็ไม่มีอะไรบกพร่องหรอกดีเกินค่าเสียดิซ้าแล้วอะไรที่น้อยบอกว่าขวางลูกนิตา พี่ชายจ้องมาด้วยสายตาค้นหาน้องสาวนิ่งเงียบเป็นนานแล้วก็ทําเสียงขุนๆมาให้พี่ชายได้ยินว่า <g ong> ก็ไอ้ท่าเตะเบ่งๆอย่างที่บอกแล้วยังไงคะอธิบายไม่ถูกหรอกยโศโธถึงแม้ว่าจะไม่ถึงกับโอหังกระด้างแม้ว่าจะไม่ถึงกับหยาบคายสุภาพแต่ขาดการอ่อนน้อมถ้าเป็นได้อย่างแง่ท า, ายก็จะดีไม่น้อยทีเดียวเชิดาอัดขวันกล้องลึกแล้วระบายช้าๆออกทางช่องจมูก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 ความเงียบหนาวเย็นเริ่มย่างกายเข้ามาภายหลังที่จัดการให้คนเจ็บนอนหลับไปแล้วหญิงสาวก็นั่งสูบบุหรี่ดื่มกาแฟอยู่คนเดียวบังเกิดความเปล่าเปลียวว้าเวยอย่างไรบอกไม่ถูกทั้งๆ ท, ที่ในค่ายพักทั้งหมดมีจำนวนคนอยู่ถึงส2องคนดูราวประหนึ่งว่ามีหล่อนกับเชฐิฐาผู้ป่วยได้นอนหลับอยู่บนเตียงอยู่กันเพียงสองคนเท่านั้นท่ามกลางป่าใหญ่ไพลึก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 ทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านล้วนหน้าหวาดระแวงไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาคนนั้นไม่อยู่เสียคนเดียวคิดแล้วสถานเยื่อเข้าไปถึงคั้หัวใจความคิดของหลอนฟุ้งซ่านไปไกลอะไรจะเกิดขึ้นบ้างมาว่าตกดึกของคืนนี้ขณะที่หลอนนอนหลับสนิทและตื่นขึ้นมาพบว่าบุญคำและพวกลูกหาบทั้งหลายกลายล่างเป็นเสือสมิงหรือพูดผีปีศาจไปหมด กลางป่าลึกในเวลากลางคืนทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนเต็มไปด้วยความลี้ลับอาเพศซึ่งหล่อนก็เคยพบเห็นมากับตาแล้วเช่ถาผู้เป็นพี่ชายขณะนี้ก็นอนป่วยทุพพลภาพอยู่อะไรจะเป็นเครื่องรางหลักประการคอยปกป้องคุ้มครองให้หญิงสาวขนลุกสู้ขึ้นทางกายจากมนโนภาพที่หลอนตนเองบัดนี้หลอนยอมสรารภาพกับใจตนเองแล้วระพินภัยวันผู้นั้น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 หัวเรออกมาเบาๆย่อความรู้สึกของตนเองหยิบเสื้อคลุมขึ้นมาสวมเอื้อมมือไปย่างเข็มขัดปืนสั้นแต่แล้วก็เปลี่ยนใจคว้าไรเฟิลขึ้นมาแทนช่วยไฟฉายติดมือเดินออกมายังบริเวณเบื้องนอกบุญคำนอนเอกเนกมวนยาอยู่หน้าเตาน้ำมันกา๊าซึ่งต้มน้ำหม้อใหญ่ก็ลุกขึ้นหยิบปืนเดินตามหลังนายหญิงเป็นองครักษ์มาหญิงสาวเดินตรวจบริเวณไปรอบๆ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 หยิบยาส่งให้กับชับว่าเอาไปให้เขากินเสียบอกได้ว่านี่เป็นคำสั่งของฉันพลานพืชเมืองยิ้มแห้งๆมองดูร่อนอย่างเกรงเกรงแล้วพระนำยาไปให้หัวหน้าลูกหาตามคำสั่งหญิงสาวยืนมองดูที่หน้ากระจกครูใหญ่บุญคำก็เดินกลับเข้ามาให้กินยาแล้วครับตัวร้อนยังกับไฟเชียวดาลิงยกมือขึ้นกอดอกสั่นศรีรษะช้าช้าไม่เป็นเรื่องเลยบุญคาดูแลลูกน้องยังไงกันนะ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 ตัวตาดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยด้วยนายหญิงอย่าเป็นห่วงเลยครับพานใหญ่กำชับบุญคำไว้แล้วมีอันตรายอะไรมาถึงนายหญิงหรือนายใหญ่ได้บุญคำยอมให้ตัดหัวราชสกุลสาวยิ้ม น, น้อยๆมองดูพานพื้นเมืองผู้อาวุโสกว่าทุกคนในคณะแล้วหย่อนกายลงบนลังใบหนึ่งชวนสนทนาฆ่าเวลาบุญคเริ่มช่างพูดเมื่อหลอนส่งเหล้า28ดีกรีให้ทั้งขวดอย่างรู้ใจ เล่าขาวพร่องเข้าไปครึ่งขวดหล่อนก็รู้ว่าพอจะหลอกถามอะไรจากพรานเท่าได้เหมือนผู้ใหญ่หลอกเด็กซึ่งเจตนาของหล่อนก็มีอยู่แล้วบุญคำอยู่กับพรานใหญ่มานานสักเท่าไหร่แล้วดาลินเริ่มล้วงเรียบเคียงโดยอีกฝ่ายไม่มีโอกาสเท่าทันโอ้ยหกเจ็ปีแล้วครับนายหญิงตั้งแต่คุณลพินเพิ่งออกจากตำรวจใหม่ๆสํารวจแรก อ, อยู่แถวเขาอุมคลืมด้านโน่นน่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 บุญคำไม่ได้รู้เห็นชีวิตของเขามาแต่ต้นไม่ใช่หรือบุญคำยิ้มแห้งๆนิ่งไปครู่ก็บอกว่าเอถ้าก่อนหน้าที่ผมจะมาอยู่กับแกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่เท่าที่อยู่ด้วยกันมาหกเจ็ดปีผมไม่เคยได้รักแค่รัคายก็เห็นแกอยู่คนเดียวมาอย่างนี้แหละไม่เห็นเคยสนใจกับผู้หญิงคนไหนดูแกจะเกลียดเกลียดผู้หญิงเอาเสียด้วยซ้ํารู้ได้ยังไงว่าเขาเกลียดผู้หญิงหล่อนถามยิ้มยิ้ม พรานเท่าหัวเราะช้ำเลืองกระมิดกระเมี้ยนอยู่ที่ขวดเหลาอย่างเกรงใจด่าดินจึงคว้าขวดดินลงถ้วยพลาสติกจนเต็มแล้วยักหน้าอย่างใจดีรู้สิครับผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วภายหลังจากดวดเข้าไปหมดอีกถ้วยเต็มๆบุญคามก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของหญิงสาวจนสิ้นเชิงโดยไม่รู้สึกตัวตามแต่ร่อนจะไขเอาความเป็นต้นว่ายังไงมั่งลองเล่าให้ฟังซิมีคุณผู้หญิงอยู่คนหนึ่งครับ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 แต่คุณผู้หญิงคนนั้นไม่พอใจรู้สึกว่าเธออยากจะให้คุณรัฐินเป็นคนนําเที่ยวมากกว่าถึงกับให้คุณอําพลมาขอร้องคราวที่มาครั้งที่สองแกก็เลยจําเป็นต้องพาไปเพราะมีคุณอําพล ร, ร่วมคณะไปด้วยคุณผู้หญิงคนนั้นพยายามอยู่ใกล้ชิดคุณรัินตลอดเวลาแต่แกกับหลีกหลีกลบหลบโอ้ยเธอเอาใจสารพัดเลยครับแต่เจ้านายของผมทําไมถึงไม่ยอมสนใจกับเธอเลยก็ไม่ทราบท่าทางไม่มีความสุขเลย เวลาพ่อเห็นเธอผู้นั้นเข้าครั้งสุดท้ายเมื่อกลางหน้าฝนที่แล้วมานี่เองคุณรพินกับพวกผมออกไปดักสัตว์ที่ภูบอลพอจะกลับหนองน้ําแห้งไอ้เกิดก็รีบด่วนมาจากบ้านพักบอกว่าคุณอัมพลให้มาตามกลับเพราะคุณผู้หญิงนั่นจะมาล่าสัตว์อีกแล้วพอรู้ข่าวแทนที่จะรีบกลับแกก็เลยแกล้งถ่วงเวลานอนในป่าเสียอีกอาทิตย์จึงกลับไปถึงหนองน้ําแห้งที่ไหนได้คุณผู้หญิงคนนั้นมาพักกรออยู่ที่บ้านหนองน้ําแห้งแล้ว ที่นี้มาคนเดียวบุญคำผูรดร้องเกึกๆอย่างนึกสนุกอยู่คนเดียวตลอดเวลาดาลินตาสว่างโพรงคอยสดับฟังอยู่อย่างตั้งอกตั้งใจหล่อนอยากจะหยิกบุญคำเตือนให้แกเล่าต่อไปโดยเร็วแต่ก็สู้สะกดความกระหายไว้ภายใต้อาการเรียบร่าเป็นปกติเตือนมาเบาๆว่าแล้วยังไงต่อไปล่ะเล่าขยากอยู่ได้เรื่องกาลังสนุกคุณละพินวางหน้าไม่ถูกเลยครับ เท่าที่ผมเห็นหน้าแก่มืดคร้ำลงทีเดียวคุณผู้หญิงนั่นท่าทางดีใจมากที่เห็นเจ้านายของผมแทบจะถววาเข้ามาทีเดียวแหละได้ความว่ามานอนพักอยู่ที่หนองน้ําแห้งคอยอยู่สองสมวันแล้วอยากจะมาดูการดักสัตว์ด้วยคุณรพินแกจะเอาไปส่งที่สถานีของคุณอัมพลแต่เธอไม่ยอมบุญคําเหลียวหน้าเหลียวหลังเหมือนเกงจะมีใครได้ยินแล้วยิ้มแห้งๆแผ่วเสียงเป็นกระซิบนายหญิงอย่าบอกคุณรพินนะครับว่า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 สามีก็ตกเครื่องบินตายทิ้งมรดกไว้ให้เป็น10สิบร้านผู้หญิงคนนั้นแต่งงานแล้วและเป็นม่หลอนร้องเสียงสูงแทบจะระงับความตื่นเต้นไว้ไม่ได้โชคดีที่คู่สนทนาของหลอนไล์ดิงสาเกินไปครับคงจะสวยมากด้วยใช่ไหมสวยนะสวยแน่ครับแต่อย่าหาว่าบุญคำสอพรอนายหญิงเลยคุณผู้หญิงคนนั้นสวยก็จริงแต่ไม่เทียบนายหญิงของบุญคำหรอก ดารินหน้าแดงด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกทำเสียงต่ำๆเรื่องอะไรที่จะต้องเอาเขามาเทียบกับฉันได้ล่ะอ้อเป็นนักล่าสัตว์ด้วยหรือก็ไม่เชิงครับผมว่าเจตนามาเที่ยวป่าแถบนี้เพราะอยากจะพบเจ้านายของผมมากกว่าขึ้นนั่งห้างกับผมเก่งเข้ามาเดินอยู่ใต้ห้างห่างไม่กี่วาก็ยังยิงไม่ถูกเดินในป่าจะครึ่งกิโลก็บ่นเดินไม่ไหวแล้วต้องให้คุณลพินประครอง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 แต่ฝากของผ่านคุณอมพลมาให้เจ้านายผมบ่อยที่สุดของอะไรหลายอย่างครับเครื่องใช้เครื่องกินเสื้อกันหนาวบ้างอาหารกระป๋องบ้างส่งมาทีเป็นหีบผีบบางทีก็เหล้าเบียร์หน้าร้อนที่แล้วส่งจี๊บแรนโลเวอร์ใหม่เอี่ยมมาให้ใช้ทั้งคันแปลกแท้คุณละพินเอาไปทิ้งไว้ที่สถานีกักสัตว์คุณอมพลไม่ยักเอามาใช้สักครั้งเดียวเสื้อกันหนาวสวยสวยให้มาก็ไม่เห็นยอมใส่โยนหมกอยู่ในตู้ ไม่ว่าอะไรไม่ยอมใช้สักอย่างเก็บสุมรวมรวมกันไว้กองผนเร็นไม่เคยแตะต้องนานๆก็เข้าไปยืนดูสิทธแล้วก็ดื่มจนเมาหลับไปปุนคำว่าเขาเกลียดคุณแสงโสมนี่มากหรือก็เกลียดมากนะสิครับไม่เกลียดทำไมถึงจะทำอย่างนั้นดารินวราฤทธิ์ลุกขึ้นยืนช้าๆดีดบุหรี่ไปกระจายแตกเป็นลูกไฟแดงวาบอยู่กับพื้นสั่นศีษะบอกมาด้วยเสียงแผ่วเรียบว่าตรงกันข้าม จงรู้ไว้เสียด้วยเถอะว่าเขารักรักคุณแสงโสมคนนั้นอย่างที่สุดรักเสียจนกระทั่งเมื่อพลาดหวังโลกทั้งโลกมันมืดมนสำหรับเขาไปหมดจบคำพูดหล่อนก็หมุนตัวเดินกลับแหวกประตูกระโจมรับหายกายไปปล่อยให้บุญคำนั่งอาปากค้างกระพริบตาปลิบ ป, ป, ปิงง ง, งันอยู่คนเดียวหญิงสาวชักพระห่มขึ้นกลุมตัวประสานท่อนแขนทั้งสองรองศรีรษะไว้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 ฉันรู้เรื่องของเธอหมดแล้วละเพราะคนอกหักช่างน้าขำน่าสนุกเสียนิกรยดาดิานเวราลิตยิ้มน้อยๆออกมาคนเดียวนอนลืมตาใสายอยากเห็นเหลือกเกินคุณแสงโสมของเธอคนนั้นนะทำไมเนาะถึงได้จริงจังเคร่งเครียดกับชีวิตเอาถึงเพียงนั้นถึงแม้เจ้าหล่อนคนนั้นจะหักอกเอาในครั้งแรกไปแต่งงานสีกับชายอื่น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 ต้องพากันอัศจรรย์ใจและคิดถัวเราะเยอะกันอยู่จนทุกวันนี้ซ้ำตัวเองก็พานจงเกลียดจงช่างผู้หญิงโดยไม่เลือกหน้ามาตลอดอันเนื่องมาจากคุณแสงโสมประโมใจคนนั้นใจแข็งทิธฐิธนงดาลินใคร่ควรแล้วก็กำหนดคำจำกัดความให้แก่คนคนนั้นอยู่ในใจแต่อย่างน้อยที่สุดเธอก็ยังเป็นคนมีคุณธรรมประจาใจ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 อยากจะปล่อยภาคภูมิใจด้วยหรอกในข้อที่ว่าเธอชนะผู้หญิงคนที่สร้างราคีหัวใจให้แก่เธอได้อย่างงดงามที่สุดแต่ฉันรู้สึกว่าถึงอย่างไรเธอก็ยังปวดร้าวทรมานหนักอยู่บนชัยชนะอันนั้นหน้าหัวเราะวิง่งหนีคนรักก่าวกลางดึกแล้วก็ไปกินเหล้าจนหลับพับไปอย่างหรอกยังไม่ใจแข็งแท้นักทำไมจะต้องอาศัยเหล้าช่วยด้วย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 ที่ชั้นมัวมักคล้ำควรคุ้นคิดอยู่ในเรื่องของเธอให้เปลืองสมองเปืองเวลานอนอยู่เช่นนี้หล่อนขอมวดคิว้วตั้งคำถามใจตนเองแล้วก็ปิดเปลือกตาทั้งคู่หลับสนิทลงพยายามะจัดความคิดทั้งหลายให้หมดสิ้นไปกว่าจะหลับลงได้ก็เป็นเวลาเลยเที่ยงคืนท่ามกลางความหนาวเย็นและสงัดเงียบของป่าใหญ่ประมาณตีสีดาลินและเชตาสะดุ้งตื่นพูดพลาดขึ้นมาอย่างตกใจเสียงปืนนัดหนึ่งระเบิดกึกก้องไปทั้งแคม หญิงสาวผพ่นลงจากเตียงอันเป็นเวลาเดียวกับที่พี่ชายพงกชันกายขึ้นร้องร่รำรักน้อยเกิดอะไรขึ้นดารินทลันเข้ามาจับตัวคนเจ็บไว้อย่าลุกขึ้นมากับพี่ใหญ่น้อยจะออกไปดูเองว่าแล้วหล่อนก็คว้าไรเฟิลคู่มือพร้อมฝีฉายกระโจรออกจากเต็นต์ไปโดยเร็วหัวหน้าคณะเดินทางเสือกกายไปหยิบจุด458แปดมกนัมที่วางอยู่หัวเตียงด้วยสัญชาตญาณขยับลุกเลื่อนขึ้นลำแล้วถือพาดไว้กับตักเตรียมพร้อม พยายามเงี่ยหูสดับตับฟังเสียงซึ่งบัดนี้ได้ยินเสียงพวกลูกหาพูดกันอิจฉาและมีเสียงกระดึงผูกคอควายสั่นเกลียวกลาวอันเกิดจากการแตกตื่นและสั่ระสายของพวกมันครั้นแล้วก็มีเสียงแผดเปรี้ยงขึ้นอีกนัดหนึ่งในความเงียบกลางดึกเช่นนี้มันดังสะท้านไปทั้งเนินเขาเชื่อฐาอเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายแทบจะเพ่นตามน้องสาวออกไปแต่เขาก็ไม่สามารถขยับร่างกายท่อนล่างได้เพราะพิษเจ็บปวดจากบาดแผล ครูใหญ่ดารินก็แวกประตูกระจกกลับเข้ามาสีหน้าไม่แสดงว่ามีเรื่องร้ายแรงชนิดใดเกิดขึ้นเหมือนเช่นที่เขาระแวงอยู่ในขณะนี้เสือดำมันย่องเข้ามากวนควายบุญคำยิงน้องสาบอกเรียบๆยกมือเสรยผมนั่งลงบนเตียงพรางหัวเราะออกมาเบาๆได้ตัวหรือเปล่าเห็นยิงสองนัดพี่ชายถามเร็วปือคาที่ไปตอนนัดหลังนี่แล่ละค่ะตัวไม่โตนักบุญคาบอกว่ามันตายโคถินขึ้นมา ควายได้กลิ่นดิ้นขึ้นถึงได้รู้พอสองไฟก็พบพอดีแล้วควายล่ะถูกมันกัดหรือเปล่ายังไม่ทันเพ่นลงมาหรอกค่ะบุญคำยิงเสียก่อนลงมาดิ้นปัดอยู่ข้างๆควายตอนที่น้อยวิ่งออกไปบุญคำก็เข้าไปซ้ำอยู่หมัดไปแล้วเชิดาถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกวางปืนลงตามเดิมใจหายหมดสิ้นเคราะห์ไปทีนึกว่าไอ้แหว่งบุกอีกเีแล้วบุญคาหูวายอาการแบบนี้ก็พอไว้ใจกันได้หน่อย พี่กำลังหลับเพลินทีเดียวเป็นไงบ้างคะตอนนี้ปวดแผลหรือเปล่าดาดินถามพร้อมกับเอื้อมมือมารูปขาตรงบริเวณที่ผ่านผ้าไว้ของพี่ชายเชิดถาสันศีสะข่อ ย, ยังชั่วขึ้นมากแล้วอยู่เฉยๆไม่ปวดเลยนอกจากเวลาขยับตัวคืนนี้ก็หลับสบายมาตั้งแต่หัวค่ำมาตกใจตื่นเอาตอนเสียงปืนนี่เองนอนชืเถดค้าพี่ใหญ่นี่เพิ่งจะตีสี่เท่านั้นพยายามพักให้มากที่สุดจะได้หายเร็ว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 บุญคำทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและหลักประกันของค่ายพักได้อย่างดีที่สุดควรแกการปลอดโปร่งสบายใจได้ของดารินไม่หนำซ้ำํายังไม่ทําให้รอนเงาจนเกินไปนักเพราะความเป็นคนมีอารมณ์สนุกของแกยิ่งกว่านั้นยังคอยทําหน้าที่เป็นลูกมือใกล้ชิดช่วยเหลือรอนในทุกอย่างได้ตามควรแม้จะไม่คล่องแคล่วเท่าแง่ทายก็ตามแต่ก็ดีกว่าในความช่างพูดช่างคุยแกมักจะนอนในเวลากลางคืนเสมอ ทว่าก็หูวัยตื่นได้ในทันทีที่รอนเรียกใช้หรือแม้แต่ฝีเท้าอันแผ่วเบาของรอนขณะที่ย่องเข้าไปใกล้ขณะที่แกรนอนหลับกลนอยู่ก็ไม่เคยที่บุญคําจะไม่รู้สึกตัวหลับก็ได้ครับนายหญิงแต่ขอให้หูวัยเท่านั้นชีวิตเดินป่าขึ้นตื่นอยู่ยามตลอดเวลาก็แย่เท่านั้นพผานเท่าแห่งเขาอึมครึมบอกกับรอนบุญคํานี่เหมือนกับพผานใหญ่และพินนะนอนหลับแต่ประสาดวัย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 แต่ในขณะที่เขานอนเขาก็ต้องรู้ว่ามีอะไรผิดปกติเข้ามาใกล้ตัวเขาและตื่นได้ทันเสมอลาพังพวกผมกับพรานย่ยที่ออก่า ด, ด้วยกันเวลากลางคืนเรานอนกันหมดทุกคนไม่มีใครอยู่ยามเลยปะเหมาะบางทีก็ไม่ก่อฟองไฟเสียด้วยซ้ำมีอะไรย่องเข้ามาเราก็รู้ไม่มีวันไหนเผลอรับไม่รู้สึกตัวเลยเนอะก็อ่านมีบ้างเหมือนกันแหละครับเวลาเพียมากๆหรือเวลาไม่สบาย แล้วถ้าสัตว์ร้ายมันย่องเข้ามาตอนนั้นน่ะจะทำยังไงก็ถือว่าเป็นกรรมไปนะสิครับคนเราถึงที่อยู่ในเมืองนอนบนเตียงมันก็ตายได้เหมือนกันส่วนมากเวลาเราจะนอนเราต้องรู้ล่วงหน้าเสมอว่าป่าแถบนั้นมีอะไรบ้างที่เราจะต้องระวังแต่ถ้าเจออย่างไอผีขโมดเหมือนที่เคยเด้นงานพวกเรามาแล้วก็แย่หลอนใช้เวลาว่างให้หมดไปกับการอ่านหนังสือและเดินสารวจป่ารอบๆบ ร, บรบิ เ, เวณแคมป์จนขึ้นใจ มีความเคยชินกับมันจนดูเหมือนว่ามันจะเป็นบ้านของหลอนเองในเวลาเย็นๆก็ลงมือปรุงอาหารเลี้ยงพวกลูกหาบด้วยตัวเองอาการของพี่ชายดีขึ้นมากจนร่อนหมดความกังวลและสบายใจได้แล้วหัวคำก่อนนอนก็ออกมานั่งริมกองไฟคุยกับบุญคำและพวกลูกหาบซึ่งมีเรื่องราวพิรุ ก, กึกกือสารพัดในป่าเล่าให้หลอนฟังอย่างเพลิดเพลินพอคืนที่สี่ผ่านไปดารินก็เริ่มกระวนกวาย ยังไม่มีข่าวจากคณะติดตามไอ้แหว่งแววมาให้ทราบเลยพรานใหญ่ผิดสัญญากับปล่อนเสียแล้วมันเป็นสิ่งที่ยากจะทํานายเหตุการณ์สําหรับหล่อนว่าเกิดอะไรขึ้นทํานองไหนแล้วผินควรจะต้องนำชายยันและคณะย้อนกลับมาที่แคมป์ภายหลังจากสมวันตามที่ตกปากรับคํากับหล่อนไว้การคลาดเคลื่อนผิดเวลาของเขาก่อให้เกิดปัญหาไปในทางที่ไม่สู้จะดีนักมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับดารินเพียงคนเดียว สำหรับเชษฐาและคนอื่นๆไม่รู้สึกผิดปกติร้อนใจอย่างใดเพราะตระหนักได้ดีอยู่แล้วว่าการติดตามโขงไอ้แหวงไม่มีเวลาที่กำหนดตายตัวได้แน่นอนทั้งคนเหล่านั้นก็ไม่ได้รับรู้ในคำสั่งส่วนตัวของรอนที่ให้พรานใหญ่ย้อนกลับมาแคมป์ายในสามวันตกบ่ายของวันที่6ระหว่างที่หญิงสาวนั่งคุยกับพี่ชายอยู่ในกระโจมพักเม่อมองออกไปยังระอองฝนที่โปรยฝ่ายมาตั้งแต่ตอนเที่ยง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 พวกลูกหาบที่พากันนั่งจับกลุ่มพักอยู่ใต้เพิงก็เหลือบไปเห็นพร้อมๆกับหล่อนพากันร้องทักทายเกรียวกล่าวและบอกกันแซดไม่กี่ใจหลังจากนั้นทั้ง6กคนซึ่งเปียกฝนและโคลนมอมแมมไปทั้งตัวก็เข้ามาพร้อมกันอยู่ต่อหน้าของเชื้อาซึ่งรอคอยฟังข่าวอยู่ด้วยความร้อนใจสีหน้าของแต่ละคนเหล่านั้นแม้จะไม่มีการปริ ป, ปากเช่นใดก่อนเลยก็ส่อชัดถึงแววกงังวลและร่องรอยของการบุกบั่นกันมาอย่างหนัก เหตุการณ์ทางนี้ปกติเรียบร้อยดีหรือผู้พูดขึ้นหอบหอบเป็นประโยคแรกคือชายยันเชฐถากับดาดินประหลาดใจในคำถามนั้นก็เรียบร้อยดีนี่ทำไมหรือเชฐถาขมวดคิว้วจ้องหน้าสหายผู้เพิ่งกลับมาถึงชายยันหันไปมองดูหน้าพรานใหญ่แล้วกล่าวเข้ารินกาแฟดื่มเต็มกระหายพวกเรารีบย้อนกลับมาแคมชนิดไม่ยอมพักกันเลยไอแหว่งล่อเราลงไปทางเขานางแล้วก็ดอดวกกลับ บ่ายหน้ามาทางที่ตั้งแคมป์นี่อีกครั้งนึกว่าทางนี้เกิดปัญหาอีกแล้วใจไม่ดีเลยขณะที่กวดตามมันมาเร่งเดินกันเสียทับแย่ฮ่าหัวหน้าคณะเดินทางร้องล่านลืมตาโพงจ้องหน้าชายยานกับพระพินสลับกันพรานใหญ่ขณะนี้ซุดตัวลงนั่งบนลังใบหนึ่งคว้าผ้าขนุนขึ้นมาเช็ดน้ำปนเหงื่อบนใบหน้าและรับถ้วยกาแฟที่ชายยานดินแจกจ่ายคนอื่นๆนั่งรายร้อมลงกับพื้น บุญคำกับนายเมยอหัวหน้าลูกหาผูกเข้ามาในแคมป์มุงฟังข่าวด้วยความกระหายจริงเหรอและพินที่ไอแวงย้อนกลับมาทางค่ายพักของเราอีกครับเขาก้มศรีศรษะรับประกายตาเครียดเคร่งเราไปงงรอยของมันที่เขานางเสียสองสาวันเต็มแล้วก็พบว่ามันวกกลับทีแรกนึกว่าจะแยกลงใต้ไปทางพุกระเคะแต่ผิดคาดถนัดมันตัดสันเขาเตี้ยๆลงทุ่งบ่ายหน้ามาทางป่าหวายอีก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 นายหญิงไม่อนุญาตให้ไปไกลกว่านั้นแต่ส a b h a ได้ว่าผมไม่ได้วิแววของมันหรือช้างโขงอื่นๆเฉียดเข้ามาใกล้เลยตั้งแต่วันที่นายไปเชิดถาอึ้งไปนานยกมือขึ้นรูปปลายคางชายันเล่าถึงการติดตามนับตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งย้อนกลับมาถึงแคมป์อีกครั้งให้หัวหน้าคณะและดารินฟังคร่าวๆแน่ใจหรือว่าโขงที่เฉียดผ่านแคมป์เราที่นี่ไปเมื่อช้ามืดเป็นโขงของไอแ้แหวง หัวหน้าคณะผู้พิการชั่วขณะเอ่ยถามขึ้นอย่างสุดพิศวงไม่มีปัญหามันแน่ๆตามรอยของมันมาห้าหกวันเต็มๆเดี๋ยวว่าแต่มองเห็นด้วยตาเลยต่อให้หลับตามือคำก็แทบจะจำได้ชา ย, ยันตอบแทนพรานใหญ่อย่างมั่นใจไอ้แหว่งขาหลังข้างซ้ายเจ็บไม่รู้พวกเราคนใดคนหนึ่งยิงเอาตอนที่เกิดการต่อสู้ชุนมูลครั้งแล้ ว, ลวมาเวลามันเดินไปตามปกติมันลากขาข้างหลังนั้น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 เชฐาถามมาอีกอย่างหนักใจแยกแน่นอนแล้วครับลูกโขลงที่ตามมันในคราวนี้มีอยู่ไม่เกินสามสิบตัวแต่เห็นจะไม่น้อยกว่ายี่สิบทิศทางของมันเดินตามลมอยู่ตลอดเวลาแล้วดูเหมือนจะมีเจตนาโดยตรงที่จะร่อให้เราตามวกไปวนมารวพินตอบเสียงต่ำลึกอ๋อนี่แปลว่าที่พากันย้อนกลับมาแคมป์ก็เพราะไอ้แหวงมานาทางมาหลอกหรือหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินเปยขึ้นรอยรอย แต่ตาจับอยู่ที่พรานใหญ่เขาไม่ตอบก้มลงจุดบุหรี่อัดควันจนแก้มตอบตาหลีขคลิ้มลงไม่มองสบ่อนชัยยันเป็นคนบอกมาแทนว่าก็ใช่นะสินึกไม่ถึงว่าไอ้แหวงมันจะชวนเราเดินกลับแคมป์ไอ้มหาวายร้ายนี่ผีหานรกมาเกิดในร่างของช้างแท้ๆเราได้คู่ต่อสู้ที่น่าชมทีเดียวไม่ว่าในด้านกาลังหรือไหวพริบเลก่กลเชถาพึมพำเ ม, ม้มริมฝีปากแน่น ก็ดีให้มันร้ายกาจจริงอย่างนี้เถอะการขับเคลียระหว่างมันกับเราจรึงจะออกรถถึงพริกถึงขิงพวกเรากลับมาถึงแคมป์กันก่อนก็ดีแล้วกําลังนึกถึงอยู่ทีเดียวทุกคนไปพักผ่อนซิก่อนไปคืนนี้ก็ปรึกษากันใหม่ชายยานงายหลังลงแผ่บนเตียงสนามคนอื่นๆพากันออกไปจากกระโจมพักของนายจ้างแล้วผินนั่งสูบบุหรี่อยู่อีกอึดใจก็ฉวยปืนลุกขึ้นยืนช้าๆบอกว่าผมจะออกไปตรวจรอยของมันที่ผ่านชายทุ่งอีกสักครั้ง ประเดีย๋ยวจะกลับมาอ้าวเพวิ่งมาถึงยกโยกจะออกไปอีกแล้วหรือพักซิก่อนเถอะเชี่ยถาทวงมาด้วยเร็วอย่างเป็นห่วงจอมพราน ห, หัวเราะอยู่ในราคอไม่เป็นไรหรอกครับคุณชายผมจะไปสํารวจดูหน่อยเดียวเท่านั้นบางทีจะรู้ว่ามันมีแผนอย่างไรต่อไปเมื่อตะกี้ยังดูไม่ถนัดนักแวะเข้ามาในแคมป์นี่เสียก่อนเขินช้าประเดี๋ยวข้ามการตรวจรอยจะทําได้ยากหัวหน้าคณะตึกตองอยู่ครู่ก็พยักหน้าตามใจ แต่อย่าตามมันไปให้ไกลนักนะเอาแค่เตรียมรับมือกับมันเท่านั้นหากว่าคืนนี้มันมีท่าทีว่าจะเล่นงานเราอีกดีเหมือนกันไม่ควรประมาทเมื่อมันมาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆอย่างนี้รัพยินออกไปนอกกระโจมโบกมือเรียกบุญคำเข้ามาพูดอะไรอยู่ครูก่ก็พากันเดินออกไปด้วยกันในเต็นท์เชษฐาดารินแชยยนยังคงสนทนากันอยู่แย่หน่อยจงอางชุมเหลือเกินเจอเข้าอีกตั้งห้าหตัวโชคดีที่มันไม่ไล่ ชั ย, ยันบอกทำหน้าเบ้สันสีษะอยู่ไปมามีเอ็กซิเนต์อะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าระหว่างทางดารินถามจ้องไปหน้าอันซี่คลัำอิดโรยของเพื่อนหนุ่มอย่างเป็นห่วงก็พวกงูเท่านั้นที่เล่นเอาใจหายมิทั่วท้องนอกนนนั้นก็ไไมม่มีอะราจากเดินกันหนักที่สุดกว่าทุกครั้งที่แล้วมาเห็นริตธรพินชัดเอาคราวนี้เองหมอสารอยไปราวกับหมาล่าเนื้อแทบไม่มีเวลาได้หยุดพักเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ค้นพบว่ามันวกกลับบ่ายหน้ามาทั้งแคมป์ที่นี่ขนาดกลางคืนก็ยังเดินฉันแย่กว่าเพื่อนนอกนั้นจอมทะเลาะกันทั้งนั้นพวกนี้เดินเหมือนเงาผีขนาดเร่งฝีเท้าเต็มที่ยัางตามไม่ค่อยทันว่าแต่เธอปกติทีเรียบร้อยดีหรือเปล่าเห็นสมักสมบอมหรือเกินก็แค่เพลียหมดแรงเท่านั้นพักเสียหน่อยก็ค่อยอยังชั่วสุขภาพอื่นๆทั่วไปคงไม่เป็นไรหรอกหรือไม่แน่ใจก็ลองตรวจฉันดู ความจริงฉันก็เคยชินมากแล้วผิดกับสมัยที่เดินทางใหม่ๆริบรับแต่ถึงจะเคยชินสักขนาดไหนก็ตามมาเจอเขาวนี้แทบขาดใจเลยเห็นป่ารอบด้านเป็นสีเหลืองไปหมดหมอไม่ยอมหย่อนฝีเท้าหรือพิจารณาว่าฉันเป็นมือใหม่ที่จะต้องคอยเป็นห่วงอีกแล้วเพราะฉะนั้นเตือนให้รู้ร่วงหน้าถ้าเธอจะไปด้วยในคราวต่อไปอย่านึกว่าหมอจะคอยพะวงยอมเสียเวลาอยู่เหมือนก่อน หมอใช้สมรรถภาพในเชิงพรานของหมอเต็มที่เลยอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักฝีเท้าตกแล้วก็ตามการอย่างชนิดเอาเป็นเอาตายซึ่งสภาพอย่างเราเต่าตหอยเคยชินชำนาญสักขนาดไหนก็เทียบอับตราส่วนกับหมอไม่ได้เลยแม้แต่น้อยก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราพินจะมามัวออมฝีมืออยู่อีกเชิดถามว่าหวเราะหึ่ฉันรู้ว่าศึกไอแหวนครั้งนี้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 พี่ใหญ่คิดว่าน้อยจะเป็นคนทำให้เกิดอุปสรรคขึ้นกับแผนตามร่าไอ้แหวงหรือคะพี่ไม่ได้คิดอย่างนั้นพี่ชายตอบอย่างเอาใจแต่เต็มไปด้วยเหตุผลอันหนักแน่นพี่คิดว่าระพินชายยันตลอดจนพวกพานทุกคนจะหมดห่วงถ้าน้อยไม่ไปด้วยเราจะห้ามไม่ให้เขาห่วงก็ไม่ได้ถ้าจะพูดกันตามสำนวนเรื่องจีนก็ต้องว่าศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก มาดว่าเนี่ยเนี้จะมีฝีมือในการรบเป็นที่ประจักษ์ชัดเพียงไรแล้วก็ตามขอจงพมนักพักผ่อนอยู่เพียงในค่ายเถิดปล่อยภาระการศึกให้แก่ขุนศึกทั้งหลายโดยอิสระเพื่อไม่ให้เกิดความกังวลห่วงหน้าพวงหลังขึ้นอันเป็นการรบขั้นจักรันแม้ผู้ร่วมศึกบังเกิดความพวงห่วงใหญ่ซึ่งกันและกันแล้วก็วกย่อมจะกกระทําการรบพิถนัดชายยานกล่าวเสริมมาเป็นร่า ย, ยาวทั้งทางหลับตาอยู่ เชฐากับดารินโอทุระออกมาไม่ได้อ๋อนี่นบรรดาขุนศึกที่จะรบกับไอแหวงมหาราชทั้งหลายเราทึกทักตัวเองว่าเป็นขุนศึกมือดีกับเขาได้หรือชายยันเปล่าไผ่เรวต่างหากเพื่อนชายตอบมาพลางดึงตัวลุกขึ้นนั่งถอดรองเท้าคอมแบตออกแล้วก็ติดตามไปเพื่อเป็นกำลังเท่านั้นถ้าแม่ทัพใหญ่ผู้มีนามวารพินสั่งห้าไม่ให้ไปด้วยโดยกลัวว่าจะเกะ ก, กะก็รับรองว่า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 ริธอะไรหล่อนกระชากเสียงถามโดยเร็วก็ฤทธ์ ด, ดื้อดึงดันทุลังนะสิทั้งงาั้นทั้งเธอและตาพานใหญ่นั้นก็ต้องรู้ดีอยู่แล้วว่าคนอย่างฉันต่อให้ช้างขนาดไอแหว่งมาฉุดไว้ไม่ได้ยงว่าถ้าฉันต้องการจะทำอะไรก็ดีแล้วนี่ที่เข้าใจหล่อนพูดบนหัวเราะเฉีวๆแล้วหันไปยิ้มให้พี่ชายพูดเน้นเสียงหนักแน่นชัดเจนจะยางไรก็ตามถ้าพี่ใหญ่ไม่ต้องการให้น้อยไปกับพวกนี้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 ไม่ใช่เฉียดผ่านไปเฉยๆแต่ชุมนุมกันอยู่ที่นั่นด้วยอย่างน้อยก็เป็นเวลาสักชั่วโมงหนึ่งที่มันซุ่มนิ่งอยู่เฉยๆไม่มีรอยหากินเลยคณะนายจ้างมองดูตาการชายยันเอียงหน้าเข้าไปกระซิบกับดารินเธอพูดถูกแล้วน้อยไอ้แหว่งควรจะต่อท้ายคําว่ามหาราชอาจจะเป็นจิ๋วยี่กับชาติมาเกิดก็ได้คราวนี้เป็นได้รู้กันแล้วว่าตาพรานของเราเป็นขงเบ้งที่เกิดตามมาด้วยหรือเปล่าดารินกระซิบ เชื่ยวชาอยู่ในระหว่างเคร่งเครียดกับการสอบซักและคุ้นคิดเมื่อเช้ามือ น, นี่เองหรือที่มันมาซุ่มอยู่ที่นั่นจากรอยมูลรอยปัสสาวะและยางจัด ก, กิ่งไม้ที่มันเดินชนหักให้การสันนิษฐานได้เช่นนั้นครับจะค่าดเคลื่อนไปบ้างก็ไม่เกินสองชั่วโมงช้างทั้งโขล ง, งเข้ามาซุ่มชุมนุมอยู่ห่างจากที่พักของเราเพียงแค่ห้ารอยเมตรทําไมพวกเราถึงไม่ได้ยินเสียงของมันบ้างเลย วันนี้ฉันตื่นตั้งแต่ตีสออกไปเดินรับอากาศอยู่รอบแคมป์ไม่ได้ระแคะระคายอะไรสักนิดบุญคําก็ตื่นด้วยตอนนั้นหญิงสาวเอ่ยขึ้นอย่าว่าแต่ห้าร้อยเมตรเลยครับถ้าภูมิประเทศเป็นที่โล่งไม่มีกิ่งไม้เกะ ก, กะไม่มีใบไม้แห้งโดยเป็นพื้นเกลี้ยงเรียบมันเดินเข้ามาหาคุณหญิงห่างเพียงแค่ศอกเดียวทางด้านหลังคุณหญิงก็จะไม่มีโอกาสรู้ตัวเลยเสือย่องได้เบาแค่ไหนช้างก็ย่องได้เบาแค่นั้น ถ้าพื้นที่อํำนวยให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันย่องเข้ามาด้วยแผนการและเจตนาร้ายแบบนี้ยกเว้นแต่จะมาแบบหากินธรรมดาการใหญ่ตอบเรียบๆ เ, เพราะฉะนั้นรู้ไว้เสียด้วยว่าอีตอนที่เธอออกมามอร์นิ่งวอล์อยู่นั่นน่ะไอ้แหว่งกับพวกกำลังยืนยิ้มมองดูเธออยู่ทีเดียวชา ย, ยานสอดมาดายดินยิ้มเรี้ยนยักษ์เลยก็นับว่าโชคดีไปอย่างที่ฉันไม่รู้ตัว นี่ก็แปลว่าตั้งแต่มันแตกหนีมาพาวเล่นงานเราครั้งใหญ่นั่นแล้วมันไม่ได้ออกห่างเราเลยเชื้าพึมพำเหมือนจะกล่าวกับตนเองวนเวียนคุมเชิงเราอยู่ในรัศมีไม่เกิน60กิโลเมตรนี่เองครับซึ่งต้อนนับว่าเป็นระยะกระชั้นชิดมากผมเรียนแล้วว่ามันสู้มันไม่ได้หนีอันเป็นผลประโยชน์ฝ่ายเราที่จะไม่ต้องเสียเวลาอีกนานนะักดีชั่วระหว่างมันกับเราเป็นได้รู้กันเร็ววันนี้แหละถ้ามันยังไม่เปลี่ยนแผน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 การใหญ่ถามมองไปยังขาข้างที่เจ็บของอดีตทูตทหารบกผู้เป็นนายจ้างเชษถฐายิ้มสบายมากพรุ่งนี้มาลื น, นี้ก็คงจะพอขยกได้น้อยกะไว้เดือนหนึ่งแต่ผมคิดว่าคงจะเร็วกว่านั้นว่าแต่คุณเถจะเอาอยัางไงต่อไปพรุ่งนี้ตามอีกครับเขาตอบง่ายๆแล้วหันไปมองดูชา ย, ยันถามว่าไหวไหมครับคุณชา ย, ยานันพันตีทหารปืนใหญ่นอกราชการหัวเราะราตามแบบฉบับของเขา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 สมแล้วที่อาถานิการเดินทางครั้งนี้พี่ใหญ่ค็ยยังชั่วมากแล้วคุณจะมีอะไรขัดข้องไหมถ้าฉันจะไปด้วยดาลินถามมาแช่มช้าชัดเจนประกายตาดำสนิทจับนิ่งมาที่เขาระพินเลิกคิ้วมองดูนักมนุษยวิทยาคนสวยอย่างแปลกใจเล็กน้อยหัวเราะเบาๆทำไมผมถึงจะต้องมีอะไรขัดข้องด้วยล่ะครับในเมื่อคุณหญิงเองก็ร่วมทีมกับเรามาแต่แรกแล้วเปล่า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 ทางนี้ไม่มีไรต้องห่วงพี่อยู่กับบุญคําได้หม่อมระชวงหญิงคนสวยมองไปทางเพื่อนชายอย่างมีชัยถามเยาะเยาะว่าเราราเพราะตัวดีมีอะไรขัดข้องไหมเมื่อเสียงฝ่ายสนับสนุนมากกว่าฝ่ายค้านเธอก็เป็นอัญช น, นาคะแนนไปแต่บอกกล่าวล่วงหน้านะบุกคราวนี้เราไม่มีการพักเพื่อสะสมองค์คงคากันเลยขี้ฟันก็ไม่มีโอกาสได้ชําระตลอดห้าหกวันที่ผ่านมาบ้า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 หล่อนยิ้มเล็กน้อยมองไปทางระพินผู้นั่งมองดูเงียบๆอยู่แล้วถามบุญคำต่อมาพรานใหญ่สั่งยังไงบ้างให้บุญคำคอยรับใช้ใกล้ชิดในายใหญ่กลางคืนให้นอนเฝ้าในเต็นท์ให้นายเมยอกับพวกลูกหาบอยู่ยามบริเวณรอบนอกผมเป็นห่วงเรื่องการพยาบาลและเรื่องการให้ยาเท่านั้นบุญคำคงจะไม่ภาษานะักคุณหญิงควรจะสั่งเขาไว้เสียให้เรียบร้อยระพินเอ่ยขึ้นเบาๆ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 เมื่อใดเห็นหน้าฉันแทนตัวพี่ใหญ่เขาก็จะระลึกขึ้นมาได้ว่าเขาจะต้องเอาตัวมันให้ได้ไม่ว่าจะยากเย็นสักขนาดไหนใจเด็ดแท้ไม่สมตัวเลยบญคําครางออกมาพึมพำดาดินกำชับสั่งเกี่ยวกับเรื่องพี่ชายอีกสองสามคำก็เดินบ่ายหน้าจะกลับกระโจมระพินลุกขึ้นเดินตามมาส่งหล่อนจึงเพิ่งได้โ อ, อกาสตอว่าในสัญญาวิว่าจะกลับมาถึงแคมป์ภายในเวลาสองสมวัน ไปเสียตั้งร่วมอาทิตย์มันจาเป็นจริงๆครับคุณหญิงกำลังติดพันทีเดียวทิ้งไม่ได้ผมต้องขออภัยที่ผิดสัญญานี่ดีว่าไอ้แหวงนำย้อนมาทางนี้ถึงได้พากันกลับมาได้ถ้ามันนำเตอไปทางอื่นก็คงหายไปเป็นแรมเดือนกังพรุ่งนี้จะเดินหนักข้อเท้าที่แพลงของคุณหญิงหายเรียบร้อยดีแล้วรอไม่ต้องมาทาไกถามถึงข้อเท้าเสียงของหล่อนคุณตวัดหางตาผ่านไปหน้า น, นั้น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 สีหน้าของหล่อนชาเฉยเป็นปกติแต่ตาเป็นประกายสุขใสฉันไม่ได้สร้างบุญคํากับพวกลูกหาบตาหากแต่คุณหญิงเป็นคนออกคําสั่งและคุมงานรู้ได้ยังไงบุญคํามีหน้าที่จะต้องรายงานทุกสิ่งทุกอย่างให้ผมทราบเมื่อผมกลับมาถึงออหล่อนลากเสียงเนิบๆ เ, เลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งพร้อมกับพยักหน้าช้าๆในตามีรอยยิ้มสังเกตเห็นเหมือนกันหรือนึกว่าจะไม่สนใจเสียอีก ผมไม่ใช่คนตาบอดภาษาสัมผัสก็ไม่หยาบจนเกินไปนักแม้ว่ากิริยามารยาทอาจหยาบไปบ้างตามภาษาคนดงชอบไหมที่ฉันทำที่นี่ให้น่าอยู่ขึ้นคุณหญิงมีสัญชาตญาณในการสร้างสรรค์ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความอบอุ่นพักพิงของผู้ที่อยู่ในปกครองนี่คือคุณสมบัติของกุลสตรีเสียดายเหลือเกินที่ผมไม่มีโอกาสชื่นชมกับความน่าอยู่ของมันได้นานนัก เพราะพรุ่งนี้ก็ต้องบุกไปนอนดงอีกแล้ววันนี้ในพรานของเราพูดได้เพราะหูหรือเกินสิ่งใดก็ตามที่พูดออกมาแล้วเพราะหูหรือไม่เพราะหูก็ล้วนพูดออกมาจากใจจริงทั้งนั้นไม่มีการเสแสร้งคุณคิดว่าผู้หญิงรักกเพศชอบประจนภัยในเกมของผู้ชายอกสามซอกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทําปานาติบาตอย่างฉันนี่นะเป็นกุลสตรีหรือนั่นเป็นคุณลักษณะผิวเผินภายนอก ที่ต้องการจะชดเชยอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งขาดไปเท่านั้นแต่ท่าแท้ของคุณหญิงก็คือลูกผู้หญิงสามัญธรรมดาคนหนึ่งที่ได้รับการกล่อมกล่าว ม, มาอย่างดีในกรอบของกุลสตรีหรือเจ้าตัวเองอยากจะปฏิเสธพยายามปรับปรามตัวเองใบหน้างามเปล่งปลังปล่งเพราะได้รับการพักผ่อนอย่างพอเพียงยามนี้ผุดผาดเต็มไปด้วยรือดฝาดที่ดันดิ้วขึ้นอาบสองแก้มตาคุณนั้น เมินไปจากสายตาที่จับจ้องมาของอีกฝ่ายหนึ่งพึมพำอยากจะรู้ว่ากลับจากป่าคราวนี้ไปกินอะไรมาไม่ทราบทำไมหรือครับดูจะมีอารมณ์ที่ดีต่อฉันผิดไปกว่าเคยระผินขมวดคิ้วผมเคยมีอารมณ์ร้ายต่อคุณหญิงงั้นหรือตลอดมาทีเดียวนับตั้งแต่พบกันครั้งแรกถ้างั้นก็เห็นจะมีการเข้าใจผิดอะไรกันเสียแล้ว ผมตะหักที่ควรจะคิดเช่นนี้คิดยังไงก็คิดว่าน้องสาวคนสวยของนายจ้างคนนี้ไม่มีเจตนาดีอะไรกับผมเอาเสียเลยมิหนำซ้ำยังไม่ยอมรับเจตนาดีที่แสดงต่อด้วยทำให้หนักใจมาตลอดแล้วเดี๋ยวนี้ละ่ะก็ยังไม่แน่ใจนะักดีแล้วที่ไม่ประมาทอีกสองสามก้าวจะถึงกระโจมพักหญิงสาวหันหน้ากลับมาอย่างไรก็ตาม ขอขอบใจอีกครั้งที่คุณไม่แสดงอะไรเป็นการขัดขวางฉันในการร่วมทางติดตามไอแหว่งพรุ่งนี้ทั้งสองคนนั้นไม่เต็มใจจะให้ฉันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ใหญ่ถึงกับออกปากเป็นเชิงห้ามฉันไว้ถ้าคุณท้วงขึ้นสักคำเดียวฉันก็คงไม่ได้ไปแน่ๆดีที่คุณไม่แสดงอาการขัดข้องใดๆออกมาโพินยักไหล่นิดหนึ่งยิบน้อยๆปรากฏขึ้นที่มุมริมฝีปากอันรบกุมไปด้วยหนวดเครา ไม่มีเหตุผลหรือประโยชน์อันใดที่ผมจะไปขัดขวางกิจการคุณหญิงไว้ทําให้คุณหญิงยิ่งชังขี้หน้าผมเพิ่มขึ้นเสียปเปล่าและลงว่าถ้าคุณหญิงจะไปให้ได้ผมห้ามได้เสียเมื่อไหร่สาเหตุที่คุณหญิงคอมเมนผมมาจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เพราะผมห้ามไม่ให้คุณหญิงร่วมทางมาแต่แรกหรอกหรือแล้วก็เป็นธรรมดาหรือเกินที่คุณชายจะต้องเป็นห่วงคุณหญิงไม่อยากจะให้ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวคุณชายเองไม่ได้ไปด้วยเช่นนี้ สำหรับผมนั้นเมื่อถามความเห็นจากผมแน่และผมจะบอกว่าไม่มีอะไรขัดข้องแต่ส่วนผู้ที่จะอนุญาตให้คุณหญิงไปได้หรือไม่นั้นคือคุณชายผมไม่เกี่ยวซึ่งคุณชายก็อนุญาตแล้วริมฝีปากงามคู่นั้นเมมเขาหากันอ๋อนี่แปลว่าเท่าที่ไม่ได้คัดค้านอะไรออกไปก็เพียงแค่ไม่อยากจะขัดคอฉันเท่านั้นเองเนอเอขัดคอก็ไม่ชอบไม่ขัดคอก็ไม่ชอบอีก จะให้ผมทำยังไงละครับเห็นทีจะจนปัญญาเสร็จแล้วละมังดาลินฝืนหัวเราะ ก, ก่อยๆตามีแววเงาวงอดถามมาน้ำเสียงเครียดถามจริงๆเถอคุณเต็มใจที่จะให้ฉันร่วมทางไปด้วยหรือเปล่าพูดกันตรงๆอย่างลูกผู้ชายเลยผมนะ่ะลูกผู้ชายแน่ละแต่คุณหญิงเป็นลูกผู้หญิงเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดกันอย่างลูกผู้ชายที่คุณหญิงว่าได้ยังไงแหมดูสิยวนเห็นไมล่ล่ ชมว่าดีเขาหน่อยเท่านั้นดีแตกแล้วหม่อมรละชงหญิงคนสวยสะบัดมือออกไปอย่างขาดใจคำว่าลูกผู้ชายที่ฉันพูดถึงหมายถึงตัวเราเองนั่นแหละถ้าหาว่ามีความเป็นลูกผู้ชายอยู่บ้างก็จงเอาเกียรติในข้อนี้พูดความจริงออกมาเลยมันไม่เกี่ยวข้องกับฉันหรอกเกี่ยวสิเพราะคุณหญิงเป็นฝ่ายจะเอาคำตอบจากผมนี่มีหนาซ้ายังขู่เสียด้วยว่าคาตอบชนิดนี้จะต้องออกมาในแบบของลูกผู้ชาย และจะมีประโยชน์อะไรบ้างที่ลูกผู้ชายสักคนหนึ่งจะต้องพูดความจริงตามความรู้สึกของเขากับลูกผู้หญิงซึ่งไม่นิยมความจริงแค่นี้ฉันก็ได้คำตอบแล้วคำตอบอะไรผมยังไม่ได้ตอบคุณหญิงสักคำคุณไม่เต็มใจหรือสะดวกใจที่จะให้ฉันไปกับคุณด้วยเอ๊ผมตอบคุณหญิงอย่างนี้หรือไม่ได้ตอบตรงๆแต่ความหมายมันก็บ่งชัดก็บอกอยู่นี่ว่าผมยังไม่ได้พูดอย่างนั้นสักคา แต่เมื่อตีความหมายได้เองอย่างนั้นก็ดีแล้วนี่ครับเป็นอันว่าคุณหญิงเลิกล้มความตั้งใจที่จะไปกับเราแล้วใช่ไหมอยู่แคมป์เป็นเพื่อนคุณชายตรงกันข้ามหล่อนตอบหน้าตาเฉยอย่าหวังเลยยิ่งรู้อย่างนี้ก็ยิ่งทําให้ต้องการจะไปยิ่งขึ้นอย่างน้อยที่สุดไปให้เก็ ก, กเล่นก็ยังดีพรานใหญ่โครงศรีรษะยังยอมแพ้หัวเราะขันขันผมก็ว่าแล้วยังจะมาคาดการณ์ไ้พูดตรงๆอะไรอยู่อีก พูดตรงหรือไม่ตรงผลลัพธ์มันก็ต้องออกมาในแบบนี้อยู่วันหนึ่งคำ่ำนั่นก็คือถ้าจะทําอะไรแล้วคุณหญิงต้องทําให้ได้จริงไหมล่ะครับที่ผมว่าเมืึตกตะกี้ลูกผู้ชายนั้นพูดกันได้อย่างลูกผู้ชายแต่ลูกผู้หญิงก็พูดกันอย่างลูกผู้หญิงเหมือนกันเอามาชนกันไม่ได้หรอกดารินกอดอกชมเหลืองมองดูอีกฝ่ายได้ปลายตาคุณก็รู้นิสัยฉันดีอยู่แล้วว่าเป็นยังไงแต่ไหนแต่ไรมาแล้วฉันไม่ชอบการต่อต้าน ถ้ากรณีเช่นนั้นเกิดขึ้นคนชื่อดารินวราลิตจะต้องสู้จนถึงที่สุดเป็นอะไรเป็นกันฉันรู้ว่าคุณไม่เต็มใจที่จะให้ฉันร่วมทางไปด้วยในครั้งนี้แต่คุณไม่พูดออกมาตรงๆฉันก็บังคับให้คุณสำแดงความจริงนั้นออกมาจนได้แม้จะโดยทางอ้อมและภายหลังจะได้ความจริงนั้นแล้วก็ขอบอกให้คุณรู้ไว้เสียเลยว่าฉันต้องไปเพะว่าในทางตรงข้าม หากคุณมีความเต็มใจอย่างแท้จริงสําหรับการไปครั้งนี้ของฉันฉันก็อาจอยู่เฝ้าแคมป์ไม่ไปเสียก็ได้หรือจะพูดให้ฟังง่ายเข้าก็คืออะไรก็ตามที่สร้างความลําบากใจให้กับพระพินไพรวันได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นสําหรับคุณหญิงอย่างนั้นกระมังก็สุดแต่จะเข้าใจเอาอันที่จริงผมก็ยอมแพ้ยกธงหายคุณหญิงมาตั้งนานแล้วหม่อมราชวงศ์สาวตะแคงใบหน้าลงอมยิม้ม เรามาทำความเข้าใจกันอีกสักครั้งก่อนเดินทางพรุ่งนี้ทำความเข้าใจยังไงแล้วผินถามเรื่อยๆก้มลงหยิบกวดก้อนเล็กๆขึ้นมาเดาะเล่นอย่างปัสจากความหมายแล้วคว่างปลิวไปกระทบโขดหินกระดอนหายไปในเงามืดของป่ารกบเบื้องหลังก็อย่างเดิมที่เคยตกลงกันไว้แล้วทุกครั้งนั่นแหละไม่ต้องเสียเวลาเป็นห่วงชั้นอ๋อแน่นอนพรานใหญ่ตอบด้วยสีหน้าขึงขัง คิดหรือว่าผมจะต้องมาเสียเวลาห่วงกังวลอะไรกับมือขนาดล้มมหิงสาบ้าเลือดตัวนั้นมาแล้วเป็นการล้มในวินาทีคับขันที่สุดเพื่อช่วยชีวิตพรานอาชีพผู้มีนามว่ารัพินภัยวันไว้เสียด้วยต่อให้หกล้มก็รับรองว่าจะไม่ฉุดให้ลุกขึ้นนั่นถูกต้องที่สุดไม่ต้องฉุดไม่ต้องช่วยไม่ต้องคอยไปเคาประคองอะไรให้เป็นพระะทั้งสิน้นราชนิกูลสาวเน้นเสียงมาชัดเจน พร้อมกับรอยยิ้มเยาะอันมีเรศในคนนี้ชื่อดารินไม่ใช่ชื่อแสงโสมคนละคนกันคนละสภาวะลักษณะแล้วผินสะดุง้งงูนงงอัศจรรย์ใจไปหมดจ้องหล่อนเขม็งเหมือนจะค้นหาอะไรที่ซ่อนเล้นอยู่ในดวงตากึ่งขบขันกึ่งเยาะหยันที่จ้องประสานมานั้นอยู่อึดใจใหญ่ยกมือขึ้นแค่หูคุณหญิงว่ายังไงนะครับเมื่อตะกี้นี้นะ่ะ ไม่ได้ยินก็แล้วไปไม่มีการฉายซ้ำน้องสาวคนสวยของนายจ้างวางหน้าตายตอบมาเอาลิ้นดุลกับพุ้งแก้มทำเป็นเหลือบขึ้นไปดูกลุ่มดาวที่พราวสวยอยู่บนท้องฟ้าอันดำมืดแล้วผีนซอยปลือกตาทีทีจ้องมองรอนอยู่เช่นนั้นอย่างฉงนฉงายครามคลั่นในที่สุดก็หัวเราะออกมาเบาๆจุดบุรีสูบคุณหญิงนี่เก่งทุกอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งในด้านสืบสวนสืบสวนอะไรไม่ทราบ ผมอยากจะรู้ว่าคุณหญิงมีวิธีอย่างไรนะจึงทำให้เขาหยุดเว้นระยะกวาดสายตาไปรอบๆแล้วจับนิ่งไปยังบุญคำผู้นั่งคุยอยู่กับพรานพื้นเมืองของเขาอีกสามคนยังตำแหน่งริมกองไฟที่เดิมหัวเราะเอื่อยๆอยู่ในลำคอเช่นนั้นแต่ผ่านท่าบุญคำนั่นขายนายของแกได้เอ๊ะคุณพูดอะไรฉันไม่เข้าใจเลยคุณว่าบุญคาขายอะไรคุณดารินทาหน้าตื่นซ่อนยิ้ม ก็ขายหรืออีกในหนึ่งขายเรื่องราวของนายของแกให้คุณหญิงทราบหมดนะสิครับโดยที่แกเองก็คงไม่รู้ตัวบุญคำอายุมากแล้วก็จริงแต่เมื่อเปรียบกับคุณหญิงแล้วแกก็เหมือนกับเด็กทารกแล้วแต่คุณหญิงจะหลอกเอาเรียนให้ทราบเสียเดี๋ยวนี้เลยว่าอะไรก็ตามที่คุณหญิงได้รับฟังมาจากบุญคาอย่าไปเชื่อมากนะักโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีตอนที่เล่าเข้าปากแปลกจริง เสียงร้องเบาๆจากท่าไก่อันสนิท น, นั้นคุณว่าบุญคำมาขายหรือขายอะไรของคุณให้ฉันจนถึงกับต้องเดือดร้อนออกตัวเสียเป็นกุ้งเป็นแควฉันไม่เข้าใจสักนิดผมบอกตามตรงดีกว่าบุญคำเล่าอะไรให้คุณหญิงฟังโอ๋อสารพัดอย่างของป่าดงพงไพรสนุกออกผมหมายถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับผมอ๋อไม่ต้องสงสัยหรอก แกประชาสัมพันธ์ถึงคุณภาพของนายพรานและพินเสียจนฟังแล้วเอียนทีเดียวแหละไม่เสียแรงที่เป็นลูกน้องลูกพี่กันมานานผมไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นแล้วเรื่องอะไรอีกละ่ะหล่อนโยกยั่วและเขาก็รู้ทันหยุดทุกขณะด้วยความหงุดหงิดโครงศีษะจุก ป, ปะเบาๆในที่สุดก็พ้องออกมาว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อง่าแสงโสมน่นะนะผู้หญิงคนไหนที่ชื่อแสงโสม แล้วก็ทำไมอย่างไรฉันไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยอยู่ไม่อยู่เหตุไดถึงมาเอ่ยชื่อนี้ขึ้นให้ตายเถอะคุณหญิงนี่ยอดเลยนะก็คุณหญิงเอ่ยชื่อนั้นเข้าหูผมอยู่เมื่อตกี้นี้เองหูฝาดไปเสียแล้วมั้งในพานฉันว่าคุณคงจะนึกถึงชื่อนี้ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่กับมังจนกระทั่งหูฝาดฟั่นเฟือนไปใช่นึกถึงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทีเดียวเป็นคาตอบพ้วน ภายหลังจากอัดควันบุหรี่หายเข้าไปตาเข้มสีเหล็กคู่นั้นมีแววขมขื่นซ่อนลึกนึกถึงเสียจนเกลียดน้ำหน้าผู้หญิงทั้งหมดทั้งโลกอยากจะสาไห้เป็นชนีไปเสียให้หมดถ้าสาได้ราชาสกุลสาพงะไปเล็กน้อยลืมตากว้างหน้างามดวงนั้นเผือดตรงหลอนตกใจไม่ใช่น้อยเพราะขาดไม่ถึงมาก่อนในประโยคอันสะท้อนถึงความปวดร้าวของหัวใจผู้พูดถึงเพียงนั้นภายหลังจกเงียบกันไปอีกอึดใจใหญ่ หล่อนเอ่ยตะกุกตะกักแผ่วเบาฉันฉันเสียใจถ้าหากว่าฉันพูดอะไรออกไปทำให้คุณไม่สบายใจยิ้มเกลียมเกลียมปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากนั้นสายตาอันกล้าวกระด้างดุดดันอ่อนโยนลงคุณหญิงคงจะทราบเรื่องผู้หญิงที่ชื่อแสงโสมนั่นมาบ้างพอสมควรถ้าอยากจะทำบุญอะไรกับผมสักอย่างหนึ่งแล้วก็ขอได้โปรดอย่าเอ่ยนามนั้นออกมาอีกเลยถูกแล้วครับผู้หญิงคนนั้นกับคุณหญิงเป็นคนละคน คนละสภาวะลักษณะชนิดนํามาเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยถ้าผู้หญิงทั้งโลกเป็นอย่างหล่อนผู้ชายก็ไม่สมควรจะมีความดีงามอันใดอีกแล้วนอกจากความรู้สึกในแบบสัตว์ป่าผมเชื่อครับว่าผู้หญิงทั้งหลายจะไม่เป็นอย่างหล่อนเสมอไป